พุทโธพุทโธนะจิตนีไปเรารู้พุทโธจิตนีไปเรารู้ฝึกอย่างนั้นให้ได้ถ้าไม่ชอบพุทโธ ท, ทาไงไม่ชอบพุทโธก็ชอบกรรมฐานอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตหายใจไปจิตนีไปเรารู้จิตนีไปเรารู้อชอบดูท้องพองยุบไม่ชอบรู้หายใจก็ดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้ทันจิต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 พอออกจากฌานในพระเตยปิดดกอย่าบอกเลนะพอออกจากฌานแล้วนะในขณนะนั้นจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานให้น้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเห็นไมไม่ใช่รู้สตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรนะยังมีงานที่ต้องทำคือน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะถามว่าน้มน้อมจิตไปไงส่งจิตออกนอกหรือไม่ใช่เห็นไมภาษาในพระเตปิดดกยังมีนะคาสอนยังมี